ดับกิเลสทั้งปวงเนี่ยค่ะให้จะพิจารณายกเป็นวิปั ส, สนาต่ออย่างไรรบ้วควรพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะออตอนนี้คือกรณีอย่างนี้เป็นการระดับการตั้งอัธยาสัยตั้งจิตทีนี้กรณีกรณีาการตั้งจิตเนี่ยถ้าถามบอกว่าเมื่อเราได้ให้น้ำเป็นทาน เมื่อการให้จนเป็นอัธยาศัยเมื่อจิตสามารถที่จะระลึกถึงการสละน้ําซึ่งมีเจตนาซึ่งมีกําลังเป็นทานเจตนาค่อนข้างแข็งแรงแล้วแล้วก็จนเกิดกอะโลภา ค, คือความไม่โลภนะและในที่สุดจริงจงอโทสะซึ่งมีความตนีความหวงในน้ําทั้งหลายเหล่านี้นะในกรณีการติดยึดต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้และตัวที่จาระฆาเจตนาทั้งหลายที่เคยสละมานั่นแหละสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละที่เคยเอา อเอามาน้อมเอามาละลึกเพื่อจะทำให้จิตนั้นให้เกิดปลาโมดเกิดความปีติเกิดความปสัสสธิแล้วก็เกิดความสุขสมนัต์ให้ตั้งขึ้นฐานของสุขสมณัตนี่แหละที่จะเป็นฐานของสมาธิสมาธิก็จะได้เป็นฐานของการที่จะทำให้นิวรธรรมคือสภาพของจิตที่มีท่านถึงใช้คำบอกว่าลักษณะของกุศลจะเกิดขึ้น กิจของกุศลก็จะทําลายบาปมากขึ้นเมื่อเราลึกถึงฐานเจตนาที่ตนเองได้กระทํามาในการให้น้ําเป็นต้นน้เป็นฐานแล้วที่เราเคยตั้งอัตยาสัยว่าการให้น้ําเป็นทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่การชําระศาสาง ร, ราคะโทสะโมหะในกระแสะขันของตอนเองนั้นให้หมดจดด้วยเธอการให้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการให้เพื่อไม่ใช่เป็นการให้เพื่อจะติดข้องในวตาเนี่ยเป็นการสละเพื่อจะประดับปรุงแต่งจิต ที่อยู่ในข้อที่7ของฐานาสูตรซึ่งพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเป็นเป็นข้อที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกก็หมายความว่าไม่ต้องมากลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและเป็นมนุษย์คือเส้นกรรมเส้นลิ์เส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วไม่ต้องตกลงมาอีกฉะนั้นเราจะสละฐานอสูตรในครั้งนี้มีน้ําเป็นต้นเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยการประดับปรุงแต่งจิต ก็หมายความว่าจิต hmm. ที่ไม yes, ่เคยได้โสมไม่ได้ได้ไม่ได้ความปีติไม่ได้ความปราโมดจะทําปราโมดให้เกิดขึ้นจากการให้น้ํานี่เป็นฐานเมื่อปลาโมดเกิดขึ้นแล้วจะทําปลาโมดเป็นฐานของปีติปีติก็จะเอามาเป็นฐานของปัจสัติคือความสงบและความสงบนั้นจะได้เป็นปัจจัยแก่โสมนัสเมื่อได้โสมนัสแล้วก็ไม่ยินดีพอใจเพียงแค่โสมนัสนั้นเอาโสมนัสเป็นฐานของสมาธิให้ตั้งขึ้นให้ได้ เมื่อสมาธิซึ่งเป็นในชั้นของอุปจารสมาธิตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้กําจัดธรรมที่เป็นปฏิบัติของสมาธิ8ประการก็คือกําจัดกามาฉันทะด้วยเนคขมะนั่นเองกําจัดพยาบาทด้วยอพยาบาทหรือเมตตากําจัดถีนมิทะด้วยด้วยอะไรด้วยอโลกสัญญานั่นเองนะกำจัดวิจิกิจฉาด้วยด้วยอะไร ก็คือกำจัดกรณีว่ากามฉันท่ากำจัดพยาบาทใช่ไหมขออภยัยสมาสมาธิเนะี่ยกำจัดกามาฉันท่ตัวสมาธิเนี่ยนะกำจัดตัวศรัทธาก็ได้นะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยกรณีเห็นการตัวสมาธิเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเขาเขากำจัดกามาฉันท่พยาบาททีนมิทะอุทธะธักกุกุจาวิจิกิจฉาวิชาแล้วก็อรารติทั้งหลายเหล่านี้อากุศลธรรมทั้งหลายอย่างนี้ทำเหล่านี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิ เมื่อสมาธิตั้งขึ้นมาแล้วนี่นะองค์ของสมาธิก็มีอะไรก็มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญานั่นเองที่เกิดขึ้นมาลักษณะของสมาธิที่ตั้งขึ้นมานี่แหละจะเป็นปัจจัยเกี่การที่จะขจัดธรรมที่เป็นปฏิบัติต่อสมาธิพอธรรมที่เป็นปัจจรรัยเป็นปฏิบัติต่อสมาธิ ถ, ถูกขจัดไปด้วยอำนาจการข่มแล้วเนี่ยก็ถามการข่มมาวิจัยวิปัสสนาต่ออันนี้นะเนี่ยบ่ คือระลึกนั่นเองระลึกยังเจบเจบไปอยู่ในข้อเจ็นะเทานที่จริงมากำลังจะกล่าวไปพอดีก็สรุปเราเคยฟังกันมาหลายรอบในหลายท่านคืออย่างนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่าเจตนาทานนะอโลภทานใช่ไหมแล้วก็วัตถุทานเจตนานั้นน่ะ เบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องขับเน้นทําให้อโลพะเด่นขึ้นให้ได้ก่อนคือความไม่ยึดติดในน้ําในวัตถุที่กําลังพูดกันเนี่ยมีน้ําเป็นต้นเนี่ยนะอันนางปานังคลังวัถังวาไปเยอะในสิบอย่างในพระสูตรนี่แหละการให้ข้าวให้น้ําเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ยึดติดติดข้องในสิ่งเหล่านี้เพราะความโลภเนี่ยเห็นสิ่งใดก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นว่าน้ําเนี่ย เป็นสิ่งที่เรายึดติดเป็นต้นเหล่าเนี้นะถ้าเราสละ ต, ต่างๆเหล่านี้จะเป็นทานอกุศลทีนี้การขับเน้นทานอกุศลนั้นนะวัตถุทานนะต้องมีอยู่แล้วนั้นันนเข้าใจนั้นตัวต ว, วัตถุทานแต่ท่านขับเน้นตัวเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละนี่เป็นลักษณะนี้ก่อนแต่การให้แค่เพียงตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอแต่จตจิตที่คิดจะให้นั้นต้องสามารถ เขาเรกว่าเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนไงชักนำสัมบัญญตธรรมคือธรรมที่เกิดพร้อมกันตนเข้าสู่อารมณ์ก็ต้องสามารถกระตุ้นเตือนให้อโลภาษทำหน้าที่ด้วยที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยโลภะมันทำหน้าที่ตลอดเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดรเราเกิดมาเนี่ยมองในบ้านเราเนี่ยเห็นสีในบ้านก็นติดข้องได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกทำอารมทั้งหลายในสิ่งแวดล้อมเราเคยคิดไหม ว่ามันจะเป็นทานนะเจตนาได้หรือจะเป็นวัตถุทานได้มันไม่เคยคิดไงเพราะนี้สุดจริงๆเกิดมาก็มาติดข้องเหมือนกันเนี้ยสิ่งของในห้องเนี้ยเขาทําถวายเป็นพุทธบูชาแต่เราก็ยังสามารถมายึดติดว่าสวยว่างามได้อันนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าเจตนานั้นนะ่ะไม่เป็นไปกับกุศลแทนที่เราจะมีจิตคิดจะบูชาแต่พระบรมศาสดาเดีวพระธรรมเดี๋ยวพระสงฆ์เราก็คิดไม่เป็น ก็ไม่สามารถที่จะปรุงแต่งจิตให้อโลพาะมันเด่นขึ้นมาได้คือความไม่โลภความไม่ติดข้องในสีเ ส, สียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สภาพธรรมารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มันยึดยงเป็นบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้ว่าเออบอกเป็นห้องนี้สวยดีนะมีการประดับตกแต่งดีนะเก้าอี้ก็น่านั่งนี้ลมก็เย็นๆอากาศก็ดีเนี่ยแทนที่จริงเจตนาที่จะเป็นไปกับการที่จะคิดจากบูชาจะคิดจากได้บุญได้กุศลมันก็ไม่เกิด เพราะไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นเตือนสัมบูุตธรรมคือกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นทํากิจของตนได้อโลภาไม่เด่นเพราะอโลพาไม่เด่นโทสาก็มาทํากิจก็ยึดติดก็ตนีไงโทสานั้นตนีนะทำที่เกิดพร้อมกับโทสานะเขาเรียกมัชชริยะก็ตนีสีตนีเสียงตนีกลิ่นตนีรสตนีสัมผัสแล้วก็ตนีสภาพธรรมอารมณ์ทั้งหลายคือบัญญัติทั้งหลายที่เรียกว่าห้องนี้แหละเป็นต้นหรือว่าน้ํานั่นแหละ เห็นไหมแสดงให้เห็นชัดว่าอโลภาไม่ทํางานอโทษาไม่ทํางานเพราะตั้งจิตไว้ผิดเพราะตั้งจิตไว้ผิดเราจะตั้งจิตยังไงให้อโลภาทางานให้ให้อโทษาทํางานก็ตั้งจิตสละที่จะให้ทีเพราะจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละจิตที่คิดจะบูชาทั้งหลายเหล่านี้เป็นการสละเป็นการให้ทีนี้พอการสละการให้เบียเศพออะโลภาเด่นขึ้นแล้วก็ไม่ติดข้องในรูรูปเสียงจิตรสสัมผัสนั้น เมื่อไม่ติดข้องเบส็คมันก็ทําลายตัวมัชชริยะคือความตนีแต่เป้าหมายไม่ใช่อยู่แค่นี้นะเป้าหมายเพื่อทําอย่างไรที่จะทําให้สภาพของปัญญามาทํากิจให้ได้เพราะในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายปัญญานั้นเกิดยากที่สุดนะปัญญาที่ไปรู้กรรมและผลของกรรมก็ยากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงปัญญาที่ไปเข้าใจวิปัสสนาญาณหรือฌานะ สมาธิฏิวิปัสนาสมาธิฏฐิมรรคสมาธิฏฐิผลสมาธิฏิอันนั้นเป็นเรื่องไกลสาหรับพวกเราทั้งหลายด้วยทีนี้เราจะทําให้กรรมสกตาสมาธิฏิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องมารู้ตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้เรากําลังประกอบกุศลกรรมที่เป็นไปกับเจตนาทานจริงไหมโยมวรวัตรจริงไห้จริ ง, รงต้องบังคับให้เชื่อเอานายังบุญน้อยถ้าเป็นพระเจ้ามาไม่ต้องบังคับโยมวรวัตรเลย <laughs> เป้าหมายก็คือต้องการให้ปัญญาเนี่ยทากิจใช่ไหมเบื้องต้นปัญญาจะได้ไปรู้กรร ม, ม, ม, มว่าตอนนี้กำลังประกอบกูสุลกรรมยอมไพรินนั่งรถจากนี้นะจากที่เนี่ยบางกอกอาคารบางเกาะเท่าเออเขนั่งรถปุ๊บเนี่ยคิดถึงบ้านเลยได้ไหมถ้าจะกลับบ้านรู้ไหมว่าจะต้องไปถึงบ้านอ่าทาั้งท่านที่ยังไม่ถึงบ้านทาไมรู้ว่าจะต้องไปถึงบ้าน พรรู้เหตุที่กําลังทําว่ามันถูกจะต้องได้รับผลแน่คือไปถึงบ้านแต่ทําไมว่าเจตนาที่เราให้ทานทั้งหลายทําไมภาวะภวะวิภวะสัมปติปัจจุปฐานาทําไ ม, ไ ม, ไ, มไม่เด่นชัดในใจเราสร้างเหตุแท้ทําไมไม่เห็นความสมบูรณ์อย่างพบชาติและความสิ้นพบชาตเิเป็นผลปรากฏของทานเจตนาแล้วนี่เพราะอะไรปัญญาไม่ทํากิจไงแต่ถ้าปัญญาทํากิจแล้วเนี่ยการให้อย่างนี้ ให้ด้วยศรัทธาทานอย่างนี้ให้ด้วยสักกัจจทานเป็นอย่างนี้ให้แบบกาลาทานเป็นอย่างนี้ให้แบบอนุคหีตท า, านให้แบบอนุ ป, ปหัดจัตทานในสัพปริสตาน5ประการซึ่งรายละเอียดก็มีอีกเยอะใช่ไหมให้แบบนี้แปลว่าให้แบบมีองค์ประกอบมีข้อมูลมีความเข้าใจเป็นอย่างดีให้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสัก็เห็นผลเอ๊ะทําไมสัตว์บางจําพวกเกิดมาจึงเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีผิวพันธ์กับงบงดงามความสมบูรณ์ทั้งวัตถุภายนอกภายในดีมากเลยเขาเกิดมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาบริบูรณ์มากแล้วก็สมบูรณ์มากเด่นมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็ดีมากเลิศมากผมวแสดงว่าศรัทธาทานเขาแข็งแรงเขาให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมผ่องใสด้ว ย, ย, วยเชื่อมั่นในรัตนไตรยอย่างนะฮะมีความผ่องใสในคุณของพระรัตนไตรและเด็ดเดี่ยวในคุณของพระรัตนไตรด้วย ก็เห็นเลยนะไหมศรัทธาทานก็ชัดก็เห็นผลเลยเมื่อเราให้ด้วยศรัทธาปัจจุบันนะพ่เนี่ยเราไม่ค่อยเด่นทั้งศีทั้งนะฮะตาหูจมูกเล่นกายใจเราเนี่ยไม่ไม่ถ้าถามถ้าถามเรายมวัตทานศีลนิดหน่อยนะการเจริญทานนิดหน่อยศีลนิดหน่อยเจริญทานปานกลางศีลปานกลางเจริญทานแบบปลาหนีศีลแบบปราณี้ สามระดับนี้นะถามงนี้ก่อนทานนิดหน่อยศีลนิดหน่อยกับทานปานกลางศีลปานกลางหรือทาน ป, นนนปานเนื้ศีลปลาเนื้เนี่ยเกิดเป็นยมวรวัตรเนี่ยมาแบบประเภทไหนมาแบบนิดหน่อยปลากลางหรือปาเนื้อถามหน่อยศึกษาพระธรร ม, าา ม, มานานแล้วลนนนะในชายที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> ได้เป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> ได้เป็นยอมวรวัตร แ, แล้วมีลูกสามคนมีภรรยาหนึ่งเนี่ย มาจากอะไรมาจากอะไรมาจากทานศีลนิดหน่อยหรือว่าทานศีลปันกลางหรือทานศีลประณีตหรือสูงสุดมาอย่างไหนปันกลางนอมาแบบไหนนะปันกลางเนื้อยอมไปเล่นมาแบบไหนที่ได นั้นในชั้นคําสอนก็เร <1. S 2> an so ียกว่าการเป็นมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะที่ไม่ได้เป็นพระราชาเนี่ยก็เรียกว่าทานสีนิดหน่อยเห็นไหมเขขนาดนิดหน่อยยังได้ดีได้ดีขนาดนี้ใช่ไหมแต่พระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายนี่นะคนเกิดในตระกูลระดับนั้นทั้งหลายเขาเรียกว่าปันกลางถ้าระดับเทวดาเป็นต้นขึ้นไปก็เรียกว่าระดับสูงนะโอ้โหขนาดนิดหน่อยยังได้ดีขนาดนี้ นี่ก็แยกกันอย่างนี้ทีนี้ก็าที่ก็เริ่มมองเห็นทีนี้ประเด็นก็คือต้องการให้ปัญญานะมาทํากิจนะปัญญาเพราะปัญญาที่ไปรู้เรื่องกรรมพราะรู้เรื่องกรรมไปว่าพอทำปุ๊บเห็นผลสร้างเหตุแล้วต้องรู้ผลสิแล้วอย่างนั้นเราโกรธเนี่ยแล้วทำกรรมชั่วออกมาทางกายทางวาจามันต้องเห็นผลแล้วถ้ากรรมสักกาสมาธิตรเข้าใจชัดเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าคติหรือว่าอนาคตของเราถ้ากรรมนี้ให้ผลจะเป็นอะไร เห็นไหมเหมือนเราขับรถเลี้ยวหัวรถปุ๊บจะไปทางไหนก็ต้องรู้ว่าจะไปถึงไหนถ้าไม่แวะกลางทางซะก่อนใช่ไหมมันก็ต้องรู้แล้วนี่เหมือนกันในทางศาสนาพราะศาสดาสอนเรื่องเหตุผลสอนเรื่องเหตุผลเรื่องทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นเรื่องของเหตุผลต้องเข้าใจเหตุผลที่ชัดเจนทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็เริ่มจะชัดขึ้นใช่ไหมอายกตัวอย่างที่ศรัทธาทานก็ได้สีเสียงกินรสสัมผัสที่ขค ง, งภายในและภายนอกก็งดงาม ถ้าสักกัจจทานก็แปลว่าให้ด้วยความนอบน้อมเมื่อกี้ที่ท่านหมนาบหน้าบอกว่าทําไมไปกล่าวอะไรที่ไหนก็มีแต่คนขัดแย้งอยู่เลยท่านก็บอกต่อไปแล้วต้องให้ด้วยความนอบน้อมแล้วใช่ไหมให้อะไรก็แล้วแต่ก็ให้ด้วยความนอบน้อมก็คือว่าเชื่อมัน่น ในกรรมและผลของกรรมแล้วยังไม่พอกก็คือต้องต้องมีการอ่อนน้อมในการที่จะให้อ่อนน้อมนี่ก็คือจิตด้วยนะการกระทําเป็นต้นในกายกรรมวิญกรรมมโนกรรมนั่นแหละให้ด้วยความนอบน้อมก็ว่าจะได้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งภายในและภายนอกบริบูรณ์ไม่พอได้บุตรบริวารทรัพย์แต่บุตรบริวารทั้งหลายก็เชื่อฟังไม่เคยขัดอกขัดใจเลยเราเป็นอย่างนั้นไม่ชีวิตจริงชีวิตจริงบอกใครก็เชื่อหมดเลย หรือ พ, อพูดหนึ่งคำก็แย้งหมดเลยอันนี้ก็บ่งบอกว่าในอดีตต้องผิดพลาดมาต่อไปก็ทําให้ถูกเสียใช่ไหมก็จะมาบอก<พ>อทธอเองดนะ้วยเนี่ยเพราะ อ, อามานี่เป็นอี่ยอมว่าจะเห็นชัดเลยพูดปุ๊บนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้คอยตามเราเลยพอพอแล้วก็ทําให้ขัดใจตลอดเวลาเลยยัเป็นไหมเป็นเยอะไหมเรื่องเนี้ย แต่อไปก็ให้ด้วยความรอบน้อมประการที่3คือการลทานทำไมเราไม่บริบูรณ์ตั้งแต่ปฐมวัยมาชิมวัยและปัจฉิมวัยทั้งเสียงกินรสั้ำาดเพราะขาดการลทานการลทานก็ไปแยกนะไปแยกในรายละเลอียด อ, อีกค่อนข้างเยอะในสูต ร, รตเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายเอกสารในพระไตรปิฎกดดแจกนะเนพราะทำไมเรียบร้อยหมดเลแจกกนะันเพื่อให้ทานถูกพยายามรวบรวมในทานทั้งหมดมาอยู่ในเล่มเดียวกันก็แจก ทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออนุคหิตาทานให้แบบสละขาดให้แล้วไม่หวงไม่ยึดติดแล้วเป็นการให้เพื่อการสละจริงๆเนีสละจริงๆสละแบบปัญญาสละแบบศรัทธานะไม่ใช่สละแบบโทสะเพราะโทสะก็สละได้เหมือนกันตั้งแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดกันนก็สละเหมือนกันใช่ไหมให้เรนขาดันเลยขาดไปเล ย, เลยแล้วไม่ต้องมองหน้ากันอีกเลยก็ให้นะไม่ใช่ไม่ให้นะเนี่ยไม่ใช่ขาดแบบนั้น ต้องขาดแบบมีปัญญามีความเข้าใจว่าการให้ในกรณีที่ตัดตัวมัชชริยะได้ไงไอ้มัชชริยานเป็นมนทินเนี่ยใช่ไหมตัดยากมากในตัวมัชชริยะเนี่ยเพราะบางทีให้แล้วมันยังมีข้อแม้อยู่นะบางครั้งเนี่ยแล้วก็ตัดข้อแม้ตรงนั้นแต่ว่าตัดมนทินของจิตคือความตนหนีความตนหนีก็คือโทสะนั่นแหละก็คือโทสะนั่นแหละเขเกิดร่วมกับโทสะ ใชไหมว่าเยอะติดแล้วมาตั น, นีก็อันเดียดมันมันมั น, ม, น, ม, นมันเกื้อกูลกันอยู่เพราะเราเราเรารักนี่แหละเราถึงตั น, นีตั น, นีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสใครกล้าพูดไหมที่นั่งอยู่นี้ไม่ตั น, นีไม่มีเลยจะมาเพราะคนที่จะทําลายมัชชริยะได้ก็คือคือใครพระโสดาบันพระโสดาบันละมัชชริยะได้นะแต่ยังเรายัางละไม่ได้แต่ว่าเราจะเลิญได้ไหม เจริญเพื่อจะละเจริญเพื่อจะป้องกันเพื่อจะทําตะทางขราพเจหาให้เกิดบ่อยๆได้ไหมอย่างเราเนี่ยฉั้นคนบางคนจึงเจริญหยุดเนาะต่อเนื่องเวลาจะเกิดขึ้นมาก็ตัดได้ตลอดตัดได้ตลอดทําไมเราต้องละมัชย์ดิยะเอะไรเป็นตัวไปทําลายทําลายมัชย์ดิยะเจตนาทานเจตนาที่เป็นไปกทานกุศลคําว่าเจตนาที่เป็นไปกทานกุศลไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะ ไม่ใช่เจตนาตัวเดียวนะศรัทธาด้วยใช่ไหมสติหิริอตัตตาอารภาโทสะตัตะตะมะชัตตากายปัสสธิจิตตปัสสิกุมกุศลจิตุบา ท, ที่มีเจตนามุ่งมั่นในการสละในการให้นั่นแหละเป็นตัวทําลายมัชชริยะเป็นตัวทําลายโลภะ<ย>พอทําลายมัชชริยะทําลายโลภะเบ็ดเสร็จเนียกิจของเขาจะเป็นแบบนี้กิจของกุศลธรรมจะเป็นอย่างนี้ยนี่ความสะอาดของกายความสะอาดของวาจาโดยเฉพาะความสะอาดของใจนะมันเริ่มตก่อนกายวาจาก็าสะอาด ความสะอาดความหมดจดก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามสภาพของเจตนาที่เป็นไปกุกศลอย่างต่อเนื่องคือการให้นี่นะโยมไพลินปรอบโยมไพลินเนี่ยนะไม่ใช่ให้ครั้งเดียวมันจบไนงะมันไม่ใช่จบนะเจตนาที่จะทํางานในการสลนะเนี่ยไม่ใช่จบถ้าจบแค่นั้นนะ่ยไม่สามารถจะดีดขึ้นเป็นจาคานุสติได้หรอกไม่ใช่ไม่สามารถจะประดับปรุงแต่งสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นมาได้เข้าใจไหมเมจีที่เมจีถามประเด็นเนี่ย เจตนานั้นต้องไม่จบอยู่แค่นั้นต้องสามารถยึดโยงแล้วก็สามารถเป็นเชือกยึดทันใช้คำว่าไ ง, งเป็นเชือกยึดก็คือเป็นอารมณะปัจจัยเป็นอารมณะปัจจัยไม่พอเป็นอารมณาที่ประดีเป็นอารมณูปนิสตยะด้วยต่อการที่จะทำให้จิตนั้นเกิดการที่จะสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องน้ำนิ่งนิ่งนาไหมจิตที่ไม่สามารถหมุ น, น, นก็ไม่สามารถ สะอาดหมดจดได้แม้ฉันใดเศรษฐกิจไม่หมุนเป็นยังไงสุดใช่ไหมมันไม่หมุนนี่ก็เราก็เริ่มรู้แล้วกุศลธรรมทั้งหลายต้องเกิดบ่อยๆต้องเกิดบ่อยๆฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของความคิดการเจริญกุศลธรรมทุกระดับจึงเป็นเรื่องกระบวนการของความคิดแต่ว่าห้ามคิดผิดนะ แต่คิดผิด่อไปเลยนั่นเองไปอะไรดึงไม่อยู่เลยใช่ไหมเป็นเรื่องการคิดคิดที่อยู่ในกรอบคําสอนซึ่งพระบรมศาสดาวางแนวไว้แล้วอยากดูรายละเอียดการคิดยังไงก็ไปดูในทวีทาวิตกสูตรคิดจนบรรลุได้ท่างคิดยังไงที่จริงก็ทําไว้หมดนะเนี่ยที่ไปครั้งนี้เนี่ยทํำรายละเอียดไว้ เดี๋ยวนี้เวลาพูดเนี่ยต้องอาศัยสูตรยึดโยงก็ว่าพอบางทีกบางคนก็ถามเนี่ยบางคนก็บางคนเขาไม่เชื่อเหตุผลใช่ไหมแต่เขาต้องการหลักฐานแล้วก็หลักฐานนี่เขาดูแต่ถ้าจะไปไล่าตามสูตรทุกเรื่องทุกเรื่องในเวลาก็เหลือน้อยเวลาก็จํากัดในชีวิตของทุกคนจํากัดเรื่องอืนโดนยนี้ถ้าจะศึกษากันไม่ทันแล้วเนี่ในความคิดอามานี่เนี่ยไม่ทันแล้วตัวมาเองนะคนอื่นอาจจะทันเดแต่วมาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้ว เพราะเพราะไล่แต่และตัวเป็นเรื่องยาวจริงไง ย, ยาวมากไม่มาขนาดอยู่กับเกินกระพร้านี่นะทุกวั น, นไม่มีเว้นเลยนะนอยโอ้โหทำไมเวลาเหลือน้อยเหลือเกินนี่น้อยเหลือเกินนี่ย เ, าเายานาะเพราะเราศึกษาเบสเซ็จก็ยังต้องม า, าค่ควรใช่ไหมค่าควรเสร็จก็ไปดูแล้วเข้าไปยิ่งค่ควรมากเขายิ่งดูได้น้อยนะนนยิ่งดูได้น้อยเพราะปริมาณการขาคขาควรของเราจะหยุดใช่ไหมหยุดตัวก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องเดินตลอดใช่ไหม ก็ต้องมันต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วเราเมื่อไร่ล่ะเราจะได้ริ้มรสกับเขาสักนิดหน่อยใช่ไหมในลิมรสดื่มด่ำในคําสอนของพระบรมศาสดาก็ต้องเกิดจากการใคร์ควรจะเกิดจากการเอามาใช้เกิดมาเอามาเจริญเอาทําให้เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่อ่านแล้วจบแล้วก็ปิดภาพหนังสือแล้วกลับไปก็ไปนอนหลับต่อเดี๋ยววันพวกนี้ก็มาต่อเรื่องใหม่แล้วมันก็จบไปเรื่อยๆชีวิตมันไม่อยู่ตรงนั้นที่ไหนล่ะมันต้องเอามามเจริญ แต่อย่าลืมนะสิ่งที่จะเจริญได้หรือไม่ได้มันต้องมาจากจาได้หรือไม่ได้ก่อนจาไม่ได้ก็ไม่รู้จะเจริญอะไรเลยใช่ไหแต่ทีนี้ถามว่ากรรมมัสการสัมมาทิฏฐิก็แปลไปเข้าใจในเรื่องของกรรมใช่แต่เมื่อเราเจริญถ้าถามว่าเมื่อเราเจริญกุศลถูกก็เคยได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าถ้าเราเจริญทานในกุศลที่เป็นไปกับศรัทธาทานสักกัจจทาน การลทานใช่ไหมแล้วก็นุคหีตาทานก็คือให้แบบสลัขาดข้อสุดท้ายอนุปหจทานก็คือให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นเออขออภยัยให้แบบสลัขาดเนี่ยให้แบบไม่ติดยึดเนี่ยนะตัดตัณหาได้นี่นะ<ต>ผลของทานในกุศลชนิดนั้นก็คือไม่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือได้ทรัพย์มาแล้วกล้าใช้จ่ายกล้าสละต่ อ, ตอกล้าจะมาเดินทานกุศลต่ อ, ตอเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านให้เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านให้แบบสลัขาด ทรพทัพสมบัติท่านก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วท่านก็สละไปเรื่อยๆเงี้ยแต่ไม่ใช่บางคนที่พอให้ไปแบบไม่มีไม่มีอนุขยีตาทานนี่นะพอให้ไปเบสเร็จมีทรัพย์ก็เลยไปเฝ้าทรัพย์แล้วไม่กล้าให้อันนยตอยาสายทิตนีห่วงแหนก็ยึดติดอยู่งั้นแหละที่สุดจริงๆก็เลยต้องเจ็บปวดเพราะการเฝ้าทรัพย์เป็นมนุษย์ก็เฝ้าทรัพย์ตายไปแล้วก็กลายปเป็นคนเฝ้าทรัพย์ เฝ้าในฐานะเป็นมนุษย์กับเฝ้าในฐานะตายไปแล้วไหนดีกว่ากัน <c oughs> <c oughs> อันไหนดีไม่ดีเนะนะอามาสมัยก่อนนะนาาอาะออมาเคยได้เจอโยมท่านหนึ่งแกบอกว่าแกไปนะทางไหนเนี่ยแกก็ได้ไม่มีจุดไหนที่แกไม่เคยเจริญทานกุศลเลยแกก็เลยนึกได้หมดเลยก็บอกว่แกบอก ส่วนใหญ่ก็ได้ทำอะไรทำาม า, อ า, อ า, า, อาอตอนนั้นกมาก็เริ่มฟังนะาแล้วตั้งเกบยี่สบ2า3สปีมาแล้วเริ่มบวชใหม่ๆนั้นเราจะเจริญทานได้อย่างไยเราก็มีทรัพย์น้อยเหลือเกิน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเพราะโดยวังที่เราไม่เคยทำอะไรไว้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ติดขัดแล้วยังไง อ, อ๋อคำว่าไม่เตดขาดก็หมายกว่าว่า ม, มันเดินกุศลได้สะดวกขึ้นไงเดินกุศลเนีถ่ถ้าพูดกันแบบไม่ต้องไม่ต้องอพูดกันแบบในฐานะผู้ศึกษาพระธรรมนี่นะสมัยก่อนท่านมหาอุณาจะมามาคือพระองค์ไหนก็มานั่งรถมาได้การมาก็จะถามเลยเวลาผ่านคนเยอะๆมาก็ถามว่าท่านคิดยังไง อ่านกินยังไงเราก็จะถามว่าใหม่ใหม่ท่านเข้ากรุงเทพลําบากมากใช่ไหมเหมือนที่ท่านพูดเพราะท่านมองว่าไม่สปายาคือโทสะท่านจะเกิดอึดอัดอึดอัดขัดเคืองมากท่านว่าไงยิ่งมานั่งแต่หน้าคนเยอะบางทีก็โลภ้าเกิดโทสะเกิดโลผ้าเกิดโทวสะเกิดอยู่เนี้ยมันก็รู้สึกว่าอึดอัดไม่เป็นการส่วนตัวอะไรเลยแล้วมานั่งนิ่งๆเลย แ้วมาฟังเฉพาะกระเพาะด้วยกันมันก็สะดวกกว่าใช่ไหมไม่ต้องมีโยมมานั่งฟังเนี่ก็สะดวกแล้วคุยกันสะดวกอย่างงี้แต่พอมายังอย่างงี้ยมันอึดอัดบรรยากาศมันไม่ใช่แล้วท่านว่าแต่ถ้าพอต่อมามาก็เลยเริ่มติดให้ท่านเดิมใค ค, ควรอ๋อไม่พอใขรควรใหม่เอาเพิ่มสูตรเข้าไปเอาเพิ่มสูตรเข้าไปเดี๋ยวนี้ท่านบอกได้แล้วคืออย่างนี้นะว่าถ้าถามว่า ถ้าอย่างเราถ้าไปหน้าที่ตรงไหนเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆพวกเราต้องถามยอมอิงกานก่อนดีกว่ามั้งเพราะเดินทางบ่อยใช่ไหมลึบหยุกเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบ่อยเออในชีวิตจริงเดินกุศลอย่างไงลองเล่าทั้งนิดเดินได้บ้างนะ เยวจากการที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะคะถ้าเป็นอคติสจิตที่ประเภทหยาบชัดเจนเนี่ยเยวว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรารับได้แล้วก็กระทบแล้วดับได้เร็วนะคะตอนนี้เนี่ยเยวว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอคุิสัจิตที่เกิดขึ้นอย่าง ที่ดูแล้วเนี่ยไม่ครบกรรมบดเป็นต้นหรือว่าความเห็นชัดบางทีในทางโลกมองว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยอันนี้เนี่ยโยว่าที่เราปล่อยให้ไหลไปตามกระแสจิตอันนี้เนียมีมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โยว่ามันต้องอาศัยความสังวรอย่างยิ่งนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ย ใช้วิธีการที่ว่าในแต่ละสิ้นวันหรือในจังหวะใดที่เราเอามาค่ควรได้ทำตอนหลังนะฮะโยมว่าจะเป็นสิ่งที่เรา ที่ยังเป็นคนทั่วไปธรรมดาอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอามาแก้ไขได้เพราะการแก้ไขในภายหลังเนี่ยก็ทำให้ความที่เราคุ้นเคยหรือความที่เราไดเอามาตรึกคิดเรื่อยๆก็จะเป็นการสังวรนในคราวต่อไปอย่างที่กล่าวในวิสุทธิมาคว่าอย่างความสำรวมระวังทางทวารปัญจทวารที่เกิดขึ้นเนี่ยในปัญจทวารเนี่ยความสังวรแท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะในจักรวิญญาณในจิตเนี่ย ตัวสติไม่มีนะคะแต่ความสังวรมาเกิดขึ้นในมโนทวารในในเกิดในชวนะชวนะเมื่อเกิดมีความสังวรแล้วเปรียบเหมือนประตูเมืองที่อยู่ภายนอกอันภายในก็สํำรวมแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราเอามาเป็นข้อคิดแบบอย่างในการที่เราจ ะ, ะปรุงแต่งจิต แก้ไขอักอุกศรจิตต่างๆที่เกิดขึ้นในภายหลังได้โดยการที่มีเวลาที่ใครครวนถึงสิ่งที่ผ่านมาแม้เล็กๆน้อยๆเท่าที่จะกระทำได้พอฝึกไปเราก็จะกระทำได้บ่อยขึ้นค่ะที่ที่โยมได้ใช้อยู่บ้างแต่ถามว่า Uh, บางครั้งก็ในบางช่วงเวลาก็เป็นไปได้ดีแต่บางช่วงเวลาก็มีความเ uh, พลดิดเพลิฉะนั้นในความที่เราเป็น uh, คนที่ยังต้องยุ่งเกี่ยวอย่างนี้สิ่งที่สําคัญมากๆคือกรารยนตมิตรคือการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือจัดตัวเองให้ไปอยู่ในสภาวะที่ควรแก่การกุศลเจริญจนกระทั่งเข้มแข็งมันถึงจะไปต้านอย่างอื่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นกุศลอกุศลห ย, ยาบๆเนี่ยมันค่อนข้างสําหรับการศึกษาเราเอามาตัดเรื่อยเนี่ย มันค่อนข้างได้เหมือนกับบางทีเวลาที่เราต้องไปยุ่งเกี่ยวเดินในห้างเลยต่างๆหรือเห็นผู้คนมากมายกลับทำให้คิดถึงความวุ่นวายเช่นนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นผลเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วทำให้เราเกิดเบื่อหน่ายเนี่ยอันนี้กลับเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เราเพลิดเพลิน <ๆ S 1> กับอกุศลเล็กๆน้อยๆที่คนเห็นว่ามันอาจจะไม่มีผลอะไรนักเนี่ย อันนี้กับว่าสัตว์โลกไหลไปตามได้ง่ายซึ่งโยมว่าอันนี้เป็นสิ่งทีออ่อีกข้อหนึ่งที่น่าจะเอามาไข้คนแล้วก็หาทางสำรวมระวังให้มากขึ้นเจ้าค่ะยรพลคือคือในกรณีแห่งการที่ท่านขับเน้นเรื่องการตั้งใจในการเจริญกุศลกล่าไว้ในชั้นของคำสอนก็หลายแห่ง น, นะเท่าที่คบเจอก็ในอัตสารในภาพพิธรมก็ก่าวแต่โดยมากในชั้นก็อัตถกถาแต่เป็นมุมที่ตั้งหลัก ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนเรื่องวิธีคิดซึ่งเราควรเอามาทําตามคําสอนของท่านที่ใช้คําว่าเราจะคือถ้าคนที่เขาจะเจริญกุศลเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งหลักได้เลยว่าเขาจะให้กุศลดวงไหนเกิดเขาตั้งหลักได้เขามีวิธีคิดเลย mm. เช่นจะให้มหากุศลโสมนัสญาณสัมประโยชน์อสังคาริเกิดดวงแรกเกิดอย่างไรอันนี้แปลว่ามาจากความตั้งใจ ท่านตั้งใจไว้แล้วนะว่าวันนี้นีหมายความว่าเมื่อท่านท่านมนุษการก่อนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาวันนี้ท่านจะทําให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะพบเจอสีเสียงกิ่นรสสัมผัสใดๆก็แล้วแต่ดงนั้นความตั้งใจในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นถามว่าแล้วจริงๆชีวิตเราจริงๆเราคิดอย่างนั้นไหมลืมตาตื่นขึ้นมาเราคิดไหมว่าวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใด จะทำให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นอย่างเราไม่ต้องขับเน้นปรุงแต่งขนาดว่าจะต้องให้กุศลดวงนั้นดวงนี้ระดับคนระดับปัญญาเฉียบขาดขนาดนั้นใช่ไหมถ้าใครแน่จริงก็ทําขนาดนั้นเลยขนาดที่ว่าจะให้มากุศลญาณสามมยุศส์สมนณตอสังขาริกเท่นานั้นเกิดขดึ้นเงี้ยนอะอันนี้คือกลุ่มนี้กลุ่มที่เขาเดินจิตจนชํานาญและอันนั้นก็ไว้ให้หน้าที่สําหรับพระที่ท่านต้องการที่จะปรุงแต่งจิตอย่างชำนี้ํานาญอันนี้กระฝากให้ท่านมาเอาไปคิดมุมเนี่ยเพราะเขาเดินได้จริงๆรนะ เดินได้จ ร, จริงๆนะหลักฐานยืนยันแล้วก็มีคนที่เขาพยายามเดินแล้วก็ปรุงแต่งได้คือจะให้กุศลญาณน่นสมัยยุทธอสังคาริคเท่านั้นเกิดขึ้นแต่ยังเราตั้งหลักเพียงแค่ว่าจะให้กุศลเกิดขึ้นเท่านั้นเนี่ยไหมจากไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเมื่อประสบพบเจอกับอิทถารลมหรืออนิธารลมสีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือธรรมารมเนี่ยที่เราจะต้องประสบเนี่ยมีแน่นอนใช่ไหม ยังไม่ทันลืมตาก็ต้องเริ่มคิดแล้วตั้งหลักไว้แล้วและการตั้งหลักตั้งใจอย่างนี้เหมือนยอมอิงการใช้คาว่าตั้งอัจฉสัยะไอนน้ตั้งใจนั่นเอ ง, องการตั้งใจที่จะปรุงแต่งจะทำจิตที่เป็นกุศ ล, ลนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจอกับอิฐาลมและอา น, นิธาลมอันนี้เคยบอกไว้หลายครั้งแล้วมีใครทาบ้างไหมโออมีนะน่าชื่นใจแสดงว่าตั้งหลักไว้ใช่ไหมข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยแปลว่า ก็คือว่าจะน้อมจิตฝึกจิตก็หมายความบกว่าจะถอนจิตออกจากบาปแล้วก็น้อมก็สู่บุญใช่ไหมก็หมายความว่าจะน้อมจิตเข้าหากุศลจะดึงจิตเข้าหากุศลอย่างต่อเนื่องนอกจากตั้งใจไว้แล้วไม่พอใช่มแต่นี้น้อมออกน้อมเข้าหากุศลตลอดน้มเข้าหากุศลตลอดดึงเข้าหากุศลโอนเข้าหากุศลใช่การดัดการ น้ำมันยังดัดได้เหล็กมันยังดัดได้ปูนยังยังดัดยังงอได้ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยยังดัดให้งอเอามาทําขอทําเคียวได้แล้วจิตทําไมจะดัดใช่ไหมเรามันคุ้นเคยบาปเนี่ยก็ดัดต้องให้คุ้นเคยบุญให้ได้ใช่ไหมดัดออกเข้าหาก็หาหมุมของกุศลให้ได้นี่ก็นี่ข้อที่สองข้อที่สามก็คือฝึกให้คุ้นเคยคืออย่างนี้ยอมถามออกมาใช่ไหมว่า ทำไมต้องปรุงทำไมต้องมาเอ๊ะทำไมวิธีเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมาฟังวันเนี้ยทำไมดูเหมือนมันกระบวนการของความคิดหน่แล้วกวรณีฮะ ไ, ไปทำฝึกจิตนิ่งๆจะทำยังไงใช่ไหมหมาบอกว่ามนุษย์ในสังสารวัตทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายในสังสารวัตทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยที่เราเกิดมามันเกิดมาจากบุญนิดหน่อยนะใช่ไหมเกิดมาจากบุญนิดหน่อยนะ กนะุศลส่งผลก็ได้มาอย่างนี้ยแต่จัดโลกนั้นเป็นผู้ชํานาญในทางบาปมากกว่าทางบุญให้สังเกตดูที่เราคิดบาปได้มากแต่คิดบุญได้น้อยพูดเรื่องบาปได้มากแต่พูดเรื่องบุญได้น้อยทําบาปได้มากแต่ทําบุญได้น้อยนี่กายกรรมวิญกรรมเมนกรรมเนี่ยทุจริตมากกว่าสุจริตนะนี่เพราะมันไม่คุ้นเคยต่อไปเราก็จะฝึกไงฝึกจิตให้คุ้นเคยกับกุศลคืออย่างนี้สภาพศรัทธาเนี่ยเวทนาเนี่ย เวทนาเขาเคยเกี่ยวข้องกับโลภะโทสะโมหะใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วก็ฝึกให้เวทข้องกับอโลภะโอโทสะอโมหะให้ได้ลดของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เขามีโอกาสได้เสพคุ้นถ้ามองถึงสภาวธรรมที่เราศึกษามาดีใช่ไหมผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขคตาชีวิตินรีมานสิการน่ยวิตกวิจารอธิโมกวิริยปีติฉันทาเนี่ยอัญญสมานาเจสิกสิเนี่ยเป็นกลุ่มของ อัญเญมานะกลุ่มเหล่านี้โดยมากเ็าจะไปคุ้นเคยกับบาปนะทีนี้ในกลุ่มของผู้ที่จะเจริญกุศลทั้งหลายก็ฝึกหัดขั ด, ขดใช่ดัดสภาพธรรมเหล่านี้ให้ไปอยู่กับกลุ่มกุศลให้มากให้เขารู้จักได้เห็นหน้าตาของกุศลคุ้นเคยกับกุศลสมาคมกับกุศลอะไรที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ให้อัญเมานะเนี่ย เข้าไปเกี่ยวข้องกับกุศลมากๆแล้วก็ระดมปัจจัยตัวนั้นช่วยกันลงไปเพื่อให้เขามีความคุ้นเคยกับศรัทธาสติหิริโอตปะอโรภาโทสะตัตตะมะเชตตากายะปัสสธิจิตะปัสสตินี่นะจนถึงปัญญาให้เขาได้คุ้นเคยตรงนั้นให้มากๆเมื่อเขาได้เสพคุ้นกับบัณฑิตมากๆแล้วดีไหมตัวเนี้ยเขาจะเริ่มเห็นความต่างอย่าลืมนะว่าเวทนาถ้าไปเคยเกี่ยวข้องกับโลภาโทสะโมหะก็เกี่ยวข้องกับ โลภะโทสะโมหะหรือเกี่ยวข้องกับศรัทธาเนี่ยเขาจะได้ความสุขต่างกันนั้นเวทนาที่อยู่ในโลภะโทสะโมหะเป็นเวทนาหยาบนะแต่เวทนาที่อยู่กับอโลภะโทสะโมหะเป็นเวทนาที่ละเอียดเป็นเวทนาที่เป็นไปกับความสุขจริงๆเป็นเวทนาที่เป็นไปกับความเป็นอิสระปลอดโปร่งจากกิเลสนะให้เขาคุ้นเคยกับตัวนี้ให้ได้เราจะได้เห็นสภาพของกุศลธรรมนั้นชัดเจนขึ้น เมื่อเขาได้เกิดความคุ้นเคยกับกุศลเหล่าเนี้จนเกิดความ ช, ชัดเจนขึ้นมาแล้วเนี่ยทําไม่ถ้าถามบอกว่าทําไมคนที่หายจากโกาครคภัยแข่เจ็บจึงไม่อยากกลับไปมีโครคภัยแค่เจ็บทําไมคนที่ลุกขึ้นมาจากหลุมคูดอาบน้ําสะอาดจึงไม่อยากโดดลงไปในหลุมคูดใช่ไหม คนทำไมพระ บ, บรมศาสดาที่อุปมาบอกว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนเจอหมอดียาดีแล้วรักษาโรคเรื้อนหายแล้วให้กลับไปเป็นโรคเรื้อนให้เขาไปผิงไปอังเตาอย่างนั้นน่ สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสของสัตว์ติราฉานของเป็ดของอัุรกายของสัตว์นรกกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสของมนุษย์ก็ต่างกันและมันยังมีความต่างกันอีกเยอะแยะนะสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนที่อยู่ใต้สะพานลอยกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับคนที่อยู่ในกระท่อมสีเสียงกลิ่นรสของคนที่อยู่ในกระท่อมกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับคนอยู่ในครือหาดสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับคนที่อยู่ในจาตุมหาราชกาเตาติงสายามาดูสิตานิมมานรดีปารณีมิสวาสวัสดีตลอดถึงไปอยู่ในนนนชัั้พรมมภูิกก็ต่างะ อันนั้นไปเกี่ยวข้องกับเวทนาทั้งหมดเลยนะที่ไปเคี่ยวเกี่ยวข้องกับการสวยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีผลต่างกันอย่างนั้นมาจากบุญใช่ไหมมาจากบุญมาจากเหตุที่ต่างกันผลยึงต่างกันอย่างนี้แต่ถามว่าเหตุที่สร้างไว้นั้นนะเป็นวัตคารมินีกุศลหรือเป็นวิวัฏคามินีกุศลอันนั้นก็ยังต้องไปปรุงวิธีคิดอีกว่าปัญญาทํากิจแค่ไหนถ้าปัญญาที่เป็นไปในกัตะมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกนะ แต่ถ้าปัญญาที่จะออกจากวัตามันจะเป็นอัธยาศัยที่จะไปประดับจิตปรุงแต่งจิตเพื่อจะทําให้สมถะวิปัสนาเดินแล้วก็จะเข้าถึงความจริงของชีวิตแล้วก็จะละราคะโทสะโมหะได้เพราะจะมองเห็นไหมว่าจริงๆวิธีเดินจิตทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากความเข้าใจถูกนะม่เกิดจากความเข้าใจถูกต้องถ้าเข้าใจผิดเนี่ยเราจะเดินจิตพัฒนาจิตแล้วก็สั่งในการประดับปรุงแต่งจิตนี่จะผิดทางไปเลย แต่ถ้าถูกเนี่ยมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้เพราะจะเริ่มมองเห็นบ้างหรือยังตอนนี้ทีนี้ถ้าถามว่าการได้การเจริญกุศลต่อไปก็เริ่มแยกได้แล้วรู้ไหมว่าทําไมถ้าเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเห็นที่เราท่านต่างหลายนั่งเนี่ยแล้วเราเห็นผลของทานไหมเห็นผลของทานกุศลไหมล้วเกี่ยวข้องแต่ทุกคนเนี่ยเราเกี่ยวเราเข้าใจอย่าง อย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อเห็นผลเราสาวหาเหตุได้ไหมอันนี้เริ่มรู้จากผลและเหตุแล้วนะแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มประกอบเหตุถูกหรือผิดได้แล้วแต่นี้ใช่ไหมถ้าเราเห็นผลปุ๊บเราจะรู้อ๋อเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสของท่านคนนี้ปราณีตหรือไม่ปราณีตหยาบหรือละเอียดมาจากอะไร เพราะเรารู้นี่ศรัทธาทานทําให้ได้อะไรสักกาทานทําให้ได้อะไรกาลาทานทําไม่ได้อะไรอนุขหิตทานทําให้ได้อะไรอนุปหัจารทานทำไห้ได้อะไ ร, ใ, ไไะไรใช่ไหมถ้าศรัทธาทานเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกเล่นกายใจของบุคคลนั้นบริบูรณ์น่าเลื่อมใสแล้วก็บริบูรณ์ในทรัพย์สมบัติด้วยบริวารญาติมิตรด้วยแต่ถ้าหากว่าสักกาทานเนี่ยบุตรบริวารทั้งหลายเชื่อฟังด้วยเอาอกเอาใจท่านฮูนั้นด้วยแล้วก็เห็นผลของทานอยู่ หรือถ้าหากว่าการละทานก็คือท่านโเนี้ตั้งแต่เกิดมาบริบูรณ์สามการเลยทั้งปถมปถมาไวมาชิมมาไวปัดชิมมาไวเลยถ้านุกหิหิต่ทานก็แปลว่าท่านเหล่านี้รู้จักใช้ทรัพย์เป็นเนี่ยมีทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงตนใช่ไหมให้เป็นสุขแล้วไม่พอยังมีการให้ทานแก่พ่อแม่บุตรภรรยาบ่าวไพ่ให้เป็นสุขเพื่อนฝูงเป็นต้นก็ว่าไปตามลดับแจกทานเป็นนิดเป็นทานอบดีเลยอะ่ะจนถึงว่าแจกทานบูชาพระธนทรัยก็ทําถูกด้วย อันนี้แปลว่าเขาอัธยาศาัยที่เขาทาอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ห่วงทรัพย์เขาไม่ได้เป็นแค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์มานั่งเฝ้าทรัพย์นั่งนับเงินในธน า, นาคารเล่นไปวันๆซึ่งมีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเล ย, ห ร, ย, รเลยหรือว่าเข้าไปก็แหมเปิดเซฟมาดูก็แหมมีเพชรนินจินดาเบ็เสรก็ปิดไว้ดูแล้วก็เปิดดูหมายก็เชื่องใจวันๆๆนี่กเป็นแค่อะไรแค่ปู่โสมเราเราก็เห็นอยู่ผลของทานผลของการให้มาในดีดไม่เป็นแบบนี้ หรือบางคนมีทราบมาก็พังเริ่มเร่มริ่มแล้วก็เห็นอยู่แผ่นดินไหวน้ําท่วมไฟไหมเสียชีวิตกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็เห็นว่านโทษของการให้แบบกระทบตนและบุคคลอื่นใช่ไหมอนุปหจธาตุเราก็เห็นอยู่ว่าได้ทราบมาแล้วก็จวรวละไพรขีภัยอุทกกะไพราาวาตาภายัยรอะไรก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วเห็นอย่างนี้จริงเปล่าถ้าเห็นผลอย่างนี้สาวหาเหตุได้ไหม แล้วตอนนี้เราจะประกอบเพียดอย่างไงที่จะไม่เจอผลแบบเนี้และจะได้ผลที่บริบูรณ์ด้วยแล้วไม่ใช่ติดข้องแค่สีเสียงจิตรอด้วยจะเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นทุกข์ได้ด้วยไม่กลับมาเป็นแบบนี้อีกมันต้องมาเหนื่อยอีกนะต้องมาลําบากอีกนะก็คิดดูที่ย่อมีการบอกว่าพระเจ้าผ่านมาแล้วนับไม่ได้ที่ไหมที่กล่าวและทําไมเราไม่หลุดพ้นล่ะก็เพราะเราให้ทานเพื่อจะกลับมาเป็นแบบนี้ไงล้วก็รู้แล้วว่ามันเพียรมาเนีดี ก็ทําให้ถูกเสียดีไหมก็ทําให้ถูกเสียใช่ไหมในดีต้องผิดที่ถ้าไม่ผิดก็ต้องพ้นทุกไปแล้วใช่ไหมอย่างว่าตัวอัจฉาิสายหกเนี่ยสำคัญมากที่จะรุ้งครองได้คือต้องสามารถทําให้ว่าเกิดมาไม่ว่าในพ่อพรมใดเนี่ยต้องให้สิ่งนี้เนี่ย ผุดขึ้นในใจอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นตัวคุ้มครองโดยเฉพาะ เ, าเรื่องของดิสเละนาะอชาสายะะต้องมั่นคงแข็งแรงมากๆเลยเพื่อมันจะคุ้มครองเพราะว่าการเนี่ยอย่างพระเจ้าเราสีอสองไขยแสงกับองคงการได้คำทำนายนะะก็เป็นสีอสองไขยที่เป็นศูนยะอสองไขยด้วยซึ่งยาวนานยิ่งกว่า040ศนย์และมีพระเจ้าเพียงที่8พระองค์ แล้วแค่การเวลาอย่างโลกไปหนึ่งก็ยาวนานมหาศาลเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไม่พ่านพบเนี่ยอย่างอีกมากมายเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่ได้พบพระทมคำสอนอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว ต้องทํำยังไงให้มั่นคงให้เข้มแข็งมากขึ้นน้อมเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกิดมาแล้วเหมือนกับที่เราทุกคนบางคนเกิดมาโกรธง่ายหรือบางคนใจดีง่ายต้องให้สภาพอัจฉริยทั้ง6 เ, เป็นเช่นนั้นเลยเจ้าค่ะอันนี้ถึงจะเป็นส่วนที่จะช่วยรักษาเราคุ้มครองเราพร้อมกับการทําทกุศลทุกอย่างที่เข้ามาผ่านพบมีโอกาสทําได้ทําอยู่เสมอๆ เ, เพื่อเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองอีกชั้นหนึ่งด้วยเจ้าค่ะที่โยอมมองเช่นนี้นะเจ้าค่ะ ต ร, ตรงนี้เป็นเรื่องการตั้งอัธยาศัยเนี่ยสำคัญไหมสําคัญมากๆ ก, การตั้งอัธยาศัยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่โ ย, ยงกล่าวขนาดตั้งอัธยาศัยนะอันนี้เอาเรื่องพ่ะโพธิสัตว์มาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งและเราจะได้คิดว่าขนาดผู้ที่ตั้งอัธยาศัยนะยังหลุดได้ยังไงนะเนี่ยนะนะเอานะี่ย เออมีพระเจ้ากิ น, นระใช่ไหมพระเจ้าเป็นดินเชื่อว่ากิ น, นระมีพระมเหสีเชื่อกิ น, นรีใช่ไหมท่านก็ประทับกันอยู่บนประราสาทก็อยู่กับพระมเหสีมีอยู่วันหนึ่งพระมเหสีก็มองออกมาทางช่องหน้าตา่างก็เห็นบุรุษเปลี้ยคนหนึ่งใช่ไหมอยู่ข้างล่างพอเห็นเบสเสร็จแล้วนางก็เกิดความกําหนัดยินดีก็เริ่มวางอุบายวางแผนแล้ว บางแบนเปเสร็จพระเจ้ากินเนนอนหลับนอนหลับนางก็ใช้เชือกมัดปีน ล, ลงอจากต้นว่าเนี่ยลงมาแล้วก็มาร่วมอภิรมกับบุรุษเปี้ยเนี่ยบุรุษพิการเนี่ยก็ทําอยู่งั้นเป็นประจำทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้ากินเนลอันนี้ก็ไ อ, ออกมาออกมาคล้ายๆว่าไปกับปโปรหิตุโรหิตนั้นคือพระโพธิสัตว์